อิเมโคปนาเยตมันโตจัตตาโรปาติเดสนียธรรมมาอุดเดสังอากชันะเตโยปนาภิกคุัญญาติกายะพิคุนิยะอันตรักหรังปวิตหายะหัตถโตคาดเนยังวาโพจเนยังวาสหัตถะปติเกเหตุวาคาเดยาวาผลใจวาปติเดเซตับังเตนะปิคุนา กาไรยังอาวโสธรรมังอาปจิงอสัปายังปาตอเดสนียังตังปตอเดเซมีเตภิกขุปเนวะกุเลสุนิมติตาผุญจันติตัตระเยภิกุนีโวสะสมาณะรูปะทิจาโหติอิทัสุปังเดทาอิทัโอดานังเดทาติเทหิภิกขุหีสะภิกุนีอปสะเดธาตัมาอปสกาตาวะภะกินิยาวะภิกขุผุญจันติติเอกัสสปิเยภิกุโนนะ ปัจจยเสยะตัณพิคุนิกะปะชาเดตุงปะปัสกตาปะภากินิยาวะพิขุขุนจันติเตปะในเดเซตบังเตหิพิคุหิกาไรยังอาวุโสธรรมังอาปัจิมาอาศัยปายังปะปิเดสนิยังตังปัญเดเซมาเต ยานิโคปนาตานิเสขะสมุตานิกุลานิโยปนาภิกขะท่ารูปเปสุเสขะสมุเตสุกุเลสุปุเบะนิปันติโวะเกลาโนคาดะนิยังวาผูชนิยังวาสหัธาปะติงเกเหตุตาค่าเดยะวาผลเจยะวา ป, วาปตังเดเสตั บ, บังเตนะภิกุนา การยั่งอาวุโสธรรมังอาปัจจิงอาศัยปายังปาต้นเดสนียังตังปัตยเดสเฮมีเตยานิโคปนตานิอารัญญกานิเซนาสนานิซาสังกัสมตานิสัะตัญภัยานิโยปนะภิกุะท่ารูเปสุเสนสเนสุวิหารันโตภูเบปอัปติสังบิดิตัง ขาดเนียังวาผู้เจนียังวาอชาราเมสหัธาปตติเกเฮตวาอกิลาโนคะเดยะวาผุนเจวาปัติเดเสตับังเตนาภิคุณาการยังอาบุโตธรรมังอาปจิงอาสัปายังปาปัติเดสนียังตังปัตติเดเสมิเต อุดิตภาคโคอายัสมันโตจัตตารโอปาติเดสเนียาธรรมมาตัตธายัสมันเตปุชามิกจิฐาปริสุทธาดุติยมปิปุชามิกจิฐาปริสุทธาตติยมปิปุชามิกจิฐาปริสุทธาปริสุทธิธายัสมันโตตัตสมาตุนนีเอวะเมตังธารยามิ